ก็เลยพิจารณาต่อไปว่าความโศกนี้เกิดเพราะอะไรเพราะชาติเพราะมีชาติคือการเกิดจึงมีความโศกอะไรชาตินี้เกิดเพราะอะไรทําไมจึงมีการเกิดก็เพราะมีพบพบมีเพราะอะไรอุปาทานอุปาทานมีเพราะตัณหาตัณหามีเพราะเวทนาเวทนามีเพราะภาษาภาษามีเพราะสลายตนะสลายตนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะ วิญญาณวิญญาณมีเพราะสังขารสังขารมีเพราะอาวิชชาเพราะฉะนั้นความโศกมีเพราะชาติก็ชาติมีเพราะอาศัยอะไรมานาสิการด้วยอนุภาพแห่งภาวนาสั่งสมบุญมาดีในการก่อนว่าชาติอาศัยพบก็เลยเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมพิจารณาสังขารทั้งหลายประทับนั่งณนะที่นั้นนั่นแหลก็ทําให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณ บรรลุเลยนะเร า, เาก็รู้นะว่าท่านไปทางไหนแต่ว่าเราไปตามไม่ได้ใช่ไหมท่านไปทางนี้แหละไปปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิลมไปเห็นอริยสัสนี่แหละแต่ทาไมเราไม่เห็นตามท่านเนาะทำไมทำไมเพราะเพิ่งเกิดมาเพิ่งได้ยินไม่กี่ครั้งเองไม่เคยเอาไปเจริญจริงๆอะไรสักอย่างะนะมันก็ความชํานาญก็เลยต่างกันนี่นะบุญมันทําไม่เหมือนกันใช่ไหมบุญมันไม่เหมือนกันเหมือนกันอามาทั้งหลายเห็นพระ ก, กุมาร น, นั้นมีความสุขด้วยสุขอันเกิดจากมรรคผลมีอินทรีย์สงบมีใจสงบ ประทับอยู่ก็เลยประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์อย่าเศร้าโศกเลยชมพูทวีปนี้ใหญ่นะักข้าพระองค์จักนําธาริกาอื่นที่สวยกว่ายิ่งมาให้นะอย่าเสียใจไปเลยเนี่ยตอนแรกเห็นเสียใจมากเลยใช่ตอนนี้มานั่งนิ่งพอเลิกเสียใจเธอเดี๋ยวไปหาคนใหม่กันละกันพระกุมารนั้นก็ตรัสว่าเราไม่โศกเพราะเราหมดสิ้นความเศร้าโศกแล้วเราเป็นพระประเจกกระพุทธเจ้า นะก็เหมือนกับคาถาแรกนะใ น, นอา ม, มาตก็ถามพาออา ม, มาตย์ถามพระปเจกกับพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องเมื่อมีการเกี่ยวข้องก็มีความรักเมื่อมีความรักอะไรติดตามมาความทุกข์ก็ติดตามความทุกข์ทั้งหลายก็ย่อมปรากฏเพราะมีความรักบุคคลเมื่อเห็นโทษของความรักแล้วพึงเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุจนอแร อันนี้ก็เป็นคิดจําง่ายๆว่าเมื่อมีการคลุกคลีกันก็เกิดความชอบพอกันเมื่อมีความชอบพอกันทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาเพราะนั้นใครที่เห็นโทษของความทุกข์ที่มาจากความรักที่มาจากความคลุกคลีเพราะฉะนั้นเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวด้วยอเออเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอนแรกก็คือเที่ยวไปด้วยมักมีองค์8นั่นเองอันนี้คถานี้โดยอัตจําง่ายเมื่อมีการคลุกคลี ก็มีความรักมีความผูกพันเมื่อมีความรักมีความผูกพันก็เกิดความทุกข์ถ้าเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดจากความรักที่เกิดจากความคลุกคลีเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอดเที่ยวไปด้วยมักแปนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยอะไรนะรักแทบตายเสร็จแล้วก็จากไปเสร็จแล้วไปทําไมไปคิดถึงแล้วเลยกลับมาหาใหม่อย่างนั้นรักประเดิมอีกไม่ใช่แบบนั้นมันทําไม่เที่ยวไปด้วยมักแปจริงๆยังไงก็กลับมาอีกเนี่ยนะกลับมาแล้วหนักกว่าเก่าอีกครั้นี้ เหมือนเราบางคนนะคล้ายๆกับว่าอะไรทะเลาะ ก, กับครอบครัวทะเลาะ ก, กับภรรยาไโอ๊ยบอกเห็นโทษแล้วเพราะเกิดจากความรักก็ไปบวชบวชได้ไม่นานก็กลับมาใหม่คัวนี้ชวนยังไงก็ไม่บวชอีกแล้วติดหนักกับเดิมอีกคันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวข้องเนี่ยนะเกี่ยวข้องเนี่ยมาจากสังสักขะเนี่ยนะสังสักขะสังสักคะชาตัสรความเกี่ยวข้อง ความเกี่ยวข้องนี้เกี่ยวข้องจากการเห็นการฟังเป็นต้นเนยนะจากการเห็นการฟังตรงนี้ยกทัศนสังสักขะสวนา h, สังสัคขะกายสังสักขะสมุลาปณะสังสักขะแล้วก็ส as, ัมโคะสังสักขะทัศนก็การเห็นสวนะก็ฟังกายสังสักขะก็คือเกี่ยวข้องการ ส, สมุลาปะสมุลาปณะก็คือการสนทนากันแล้วก็สัมโคะก็กินร่วมกัน ในความเกี่ยวข้องห้าอย่างเนี่ยนะราคะเกิดด้วยอำนาจแห่งจกักขคูวิญญาณวิถีเพราะอะไรเพราะเห็นซึ่งกันและกันก็นี้เรียกว่าทัศนสังสัขขาคะอย่างเช่นที่ดาของกุดุมพีผู้มีใจรักใคร่เห็นพิสุนมรูปหนึ่งชื่อว่าทีผานกะผู้อยู่ในกาลยาณวิหารซึ่งกำลังไปสู่กาละทีฆาวาปีคามเพื่อบินทบาตในสิงหหน เขามาสนใจว่ากาละทีฆาวาปีนี่มันอยู่ที่ไหนถามบอกโอ้ยมันเป็นร้อยกิโลเลยของนพูดซักไม่ไปเลยนะจะไปดูทีฆาวาปีไปดูพวกบึงอันนะั้นะนะไปดูไปดูน้องแวงเอาที่คอนแก่นกันแล้วกันนะจะไปดูศีลังกาก็อดเลยนะคนขับรถบอกไกลมากปรนะมาณนะี้ที่ศีลังกาก็พระพิสุนมรูปนี้เนี่ย ค, คือเรื่องเขาเป็นอย่างนี้ว่า พระพิสูุนหนุ่มเนี่ยไปจะไปเรียนคำพีทีคณิกายอาจารย์บอกไม่สอนคือดูแล้วว่าอนาคตรูปนี้เนี่ยไปไม่รอดคือคืออาจารย์ที่สอนทีคณิกายเนี่ยได้ยานนะมียานพอเห็นปับ๊บอนาคตรูปนี้ตายแน่นี่ยเขาคืออยู่ที่นี้ไม่ได้ถ้าไปเรียนที่อื่นอาจจะได้อาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าอยู่ที่ที่แถวนี้ไม่ได้ลูกศิษย์คนนี้ก็อยากเรียนทีคนิกายมากไม่รู้ทําไง พอไปอ้อนวอนเสร็จแล้วอ้อนวอนหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยู่ได้แต่ห้ามไปบินทบาทณนะหมู่บ้านนั้นห้ามบินทบาทที่เดียวถ้าอย่างนี้อนุญาตให้อยู่ได้แต่ความที่ตัวเองยังไม่มีวิชาอะไรก็อาจารย์เสนออะไรมาเอารับหมดคอให้ในเรียนเถอะพอเรียนจบทีขนิกรเก่งละสวดได้เก่งละพอนี้ก็ถือว่าพ้นอนัตตอาจารย์แกวิชาแก่กล้าแล้วเนี่ก็เลยบอกว่า ทำไมนะอาจารย์จึงไม่ให้ไปหมู่บ้านนั้นไม่อยากรู้จริงๆก็เลยไปบินทบาทณ ห, หมู่บ้านนั้นทีนี้ไอ้ลูกสาวของของกุดุมพีบ้านนั้นเนี่ยไปเห็นพระพิสูจน่มรูปนี้เดินบินทบาทเข้าก็เลยมีใจผูกพันเนี่ยนะก็ะด้วยด้วยอะไรก็ไม่ทราบละ่ะใจผูกพันรักมากเสร็จแล้วก็แล้วก็เรียกว่าประท้วงทันทีเลยนะพอเห็นปั๊บประท้วงกับพ่อทันทีเลยบอกว่าถ้าได้พิสูจน่มรูปนี้ก็ ก็จะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ก็จะตายอันนี้คือเราว่าเอาแต่ใจตัวเองมากแสดงว่าเลี้ยงตามใจมามากเลยนะก็เลยเอาแต่ใจตัวเองขนาดนั้นเสร็จแล้วพ่อก็เลยไปขอบอกว่าคือเราว่าก็ไปเชิญให้พระพิสุนมนี่มามาเป็นคารวะเธอพิสุนมรุษยไม่ได้ยังไงก็ไม่ศึกมาไม่ศึกก็กลับไปท่านก็ท่านก็กลับไปนะคือไม่สนใจเลยไม่สนใจไม่คิดอะไรทนะ่านไม่สนใจก็กลับไปที่วัด หญิงสาวคนนี้ในที่สุดก็ตายเนี่ยนะก็คือสรุปว่าไม่รู้ว่าอดข้าวตายหรือหัวใจวายตายหรืออะไรก็ไม่ทราบนะสรุปว่าตายพอตายเท่านั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เอาศพไปไปฝังะนะรำเนียมของแขกก็ไม่ได้เกี่ยวกับตายตายเย็นก็ไปทิ้งเย็นตายเช้าเอาไปทิ้งเช้าะนะไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่านางเนี่ยมีผ้าผ้าที่นางใช้นี่เป็นผ้าอย่างดีมันก็เลยมีการเก็บเอาผ้าอ น, นั้นเนี่ยไปเป็นผ้าบางสกุลถวายพระ เนี่ยนะเขเรียกว่าผ้าบางสกุลที่ป่าชาเนี่ยถวายพระไปนี้พระมีหลายรูปเขาก็แบ่งเป็นผ้าผ้ากันก็เป็นผ้าอย่างดีไปกรองน้ําดื่มได้อะไรได้ก็ซักอย่างดีเป็นผ้ากรองน้าดื่มนี่ก็มีการแจกผ้ากันแล้วก็มีเอาผ้าเนี่ยไปฝากให้แก่พระพิสุนมรูปนี้บอกว่านี่ผ้าอ่าส่วนให้ท่านให้ท่านผมถวายท่านบอกผ้านี้เป็นยังไงมายังไงก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีพระพิสุนมรูปหนึ่งไปบินทบาทอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอ่าเขาก็เล่าย้อนความเนี่ยนะ ในพระพิสูจนมรูปนี้ก็เลยมาคิดว่าโอ้ยนางรักเรามากเนะี่ยเรานี่ตัดเยื่อใยในนางจนนางเสียชีวิตท่านก็เลยตายตามเลยคันนี้หัวใจแตกตายหัวใจวายตายเลยนะบอกว่าหัวใจแตกตายเยนะี่ยหมายคือว่าอาจจะเส้นเลือดอะไรสักขาดหรือว่าเครียดจนหัวใจฉีกขาดตายค่ะที่อะไรก็ว่ากันไปสรุปว่าตายทั้งคู่อันนี้เพราะการเห็นเป็นตัดใจเรียกว่าทัศนสังสักะเนี่ยนะความทุกเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการเห็น อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะสวนาสังสักราคะเกิดด้วยอํานาจโสตวิญญาณวิถีเช่นได้ฟังสมบัติมีรูปเป็นต้นนะที่คนอื่นพูดถึงะนะหรือคื อ, ค, อคือหมายว่าได้ฟังเสียงที่คนอื่นชื่นชมคนนั้นเนี่ย ง, งามมากหรือตัวเองไปได้ฟังเสียงหัวเราะฟังเสียงพูดจาฟังเสียงเพลงขับอาการได้ยินเสียงแบบนี้เรียกว่าสวนาสังสักราค ภิกษุนมชื่อว่าติดสะเนี่ยนะยกตัวอย่างภิกษุนุมชื่อว่าติดสะธธผู้อยู่ในถ้ำปัญจคละขณะนั้นพระภิกษุนุมรูปนี้มีฤทธิ์เหาะได้ทางอากาศฟังเสียงของธิดาช่างมีด พ, heroin. พ่อนเนี่ยเป็นช่างมีดตีมีดอยู่ในคีริคามธิดาของช่างมีด thereby. คนนี้ก็ไปสะปทุมพร้อมด้วยกุมารีไปกับเพื่อนสาว <c oughs> ห้านาง พออาบน้ําเสร็จแล้วก็ยกดอกไม้แล้วก็ร้องเพลงด้วยเสียงดังอ่ะนะพระพิสุรูปนี้หอ่อไปยินเสียงเข้าเสื่อมจากคุณวิเศษเพราะการ ม, มาราคะถึงความพี่น่าเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เพราะเสื่อมเพราะอะไรเสื่อมเพราะฟังเพลงอ่ะนะเลยฟังเพลงไม่ได้นะฟังเพลงแล้วชานเสื่อมเลย อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะราคาเกิดเพราะกา ร, รลูกรรมอวัยวะของกันและการชื่อว่ากายสังสักคะกายสังสักคะนี้มีภิกษุหนุ่มชื่อว่า ธ, ธรรมภาส ก, กะเป็นตัวอย่างคือเรื่องมีอยู่ว่าพระภิกษุหนุ่มกล่าวธรรมอยู่ในมหาวิหารมหาวิหารนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ อ, อ, อนุราทปุระเนี่ยนะวัดวัดที่มีโลหะปราสาทวัดนั้นนะ เมื่อมหาชนในมหาวิหารนั้นแม้แต่พระราชาก็ไปพร้อมกับชาววังนะชาววังก็เข้าไปฟังธรรมจากนั้นราคะก็ได้เกิดแก่พระราชธิดาเพราะอาศัยรูปและเสียงของพระภิกษุหนุ่มนั้นนะแสดงว่าฟังได้ยินแต่เสียงเห็นแต่รูปของพระไม่ได้ฟังธรรมเลยก็เลยเกิดราคะแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเพราะภิกษุหนุ mn พอเห็นพระธิดานั้นก็เกิดราคะนะทั้งคู่ก็เกิดตัณหาทั้งคู่ พระราชาก็เลยเห็นเหตุนั้นก็กําหนดได้ก็ให้สั่งให้ล้อมกำม่านกําแพงเธอทั้งสองนั้นก็คเคล้าคลึ่องอบ ก, กอดซึ่งกันและกันพอเลิกผ้าดูทั้งคู่ก็ตาย น, นักเรียนว่าไม่รู้ไปทํากันยังไงตายเลยสรุปว่าจบด้วยตายวันนั้นแต่และเรื่องจบไม่ดีนะหนังเศร้าหมดเลยอีกอย่างหนึ่งราค่าที่เกิดเพราะการสนทนาปราศัยพูดคุยซึ่งกันและกันเรียกว่าสมุ ล, ลปนาสังสัคะ ราคาที่เกิดเพราะการบริโภคร่วมกันกับภิกษุณีทั้งหลายชื่อว่าสัมโพคะสังสักะเรียกว่าใช้เข้าของร่วมกันเนี่ยนะยกตัวอย่างภิกษุและภิกษุณีถึงอบัตปิปราชิกเป็นตัวอย่างเรื่องก็มีอยู่ว่าในการฉลองมหาวิหารชื่อว่ามีรจิวัตกะพระเจ้าทุตคามินีอภัยมหาราช จ, จัดแจงมหาทานอัง่าถวายของแก่พระภิกษุสอ์ทั้งสองฝ่ายในการฉลองมหาวิหารนั้น ก็ทวันหนังตอนฉลองนี่ก็มีการถวายข้าวยาคูคือถวายข้าวต้มร้อนสนัมเนรีผู้ยังใหม่กว่าสงก็ถวายวาลายงาเรียกว่าวาลายงาก็คือข้อมืองาใช่ไหมที่มันสามารถรองรองภาชนะได้ทำให้ไม่ร้อนอ่ะนะแก่สัมเนรใหม่กว่าเขาองค์หนึ่งนะซึ่งไม่มีเชิงรองบาทนะนะสนัมเนรน้อยตัวเล็กๆเนี่ยนะก็ไปรับข้าวต้มร้อนๆมามันก็แบบจับมือมันก็ร้อนมากอ่ะนะ สัมเน ร, รีตัวแ็กๆก็เลยเสงสารก็เลยให้วลายงาไปอันหนึ่งวลายงาก็คือกําไรงาที่ทํามาจากงาช้างรองรับภาชนะไดะ้ให้เป็นเชิงรองบาทเสร็จแล้วก็ได้คุยกันนิดหน่อยทั้งคู่นั้นเนี่ยนะก็บวชตั้งตั้งแต่อายุ7ขวบนะเรื่องนี้เกิดได้อายุ7ขวบแล้วก็บวชทานไตหกสปีเสร็จแล้วก็ด้วยเรื่องคือคือบ้านเมืองมันมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ข้ามไปอีกทะเลหนึ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ก็คือฝั่งฝั่งโน้นนี่คือที่ไหนก็คือกลับไปที่อินเดียเห็นไหมก็คือมีเรื่องราวที่ศรีลังกาก็เลยข้ามฝั่งมาอินเดียตอนหลังก็ก็มาคุยกันเนี่ยนะเล่าสนทนากันรู้ว่าทั้งคู่มาจากศรีลังกาทั้งคู่ก็เลยมาคุยกันไปยังไงมายังไงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออสมัยก่อนเนี่ยเคยเอ่านะเขามีคนถวายวาลงาสมณีรีก็บอกว่าชั้นนี่แหละถวาย แล้ทั้งคู่ก็เกิดถึงการพูดคุยในครั้งนั้นเกิดความรักกันประราชิกทั้งคู่พระพิสุกก็ปรราชิกภิกษุณีก็ปรราชิกเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะการใช้ข้าวของเนี่ยนะก็ทําให้คิดถึงเจ้าของเขามากสรุปว่าความเยื่อใหญ่ย่อมมีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันเมื่อมีการเกี่ยวข้องกันความรักความผูกพนันความยื่อใหญ่ก็มีขึ้น ด้วยความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนั้นราคะที่มีกำลังก็เกิดขึ้นเพราะราคะแต่เก่าก่อนเป็นปัจจัยด้วยประการชนิดคือคือไอราคาที่เมื่อมันได้ปัจจัยเช่นการเห็นการฟังการเกี่ยวข้องการการคลุกเคลียการการจับต้องกันเนี่ยนะพอพอเห็นการทับไอสะสมอุปนิสัยแห่งฉันทราคะที่สะสมมาเนี่ยนะมันก็ท่วมทับมันก็ท่วมทับท่วมทับราคาก็มีกาลังขึ้น ราคะเท่าใดก็ทุกเท่านั้นมันนะของที่เรารักเนี่ยนะถ้าเรารักมากๆเท่าไหร่เราก็ทุกเท่านั้นมันความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความยื้อใหญ่ความทุกข์มีประการต่างๆมีความโศกความคร่ําครวญเป็นต้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแปลว่าทิฏฐธรรมและสัมปรายพบย่อมเกิดย่อมบังเกิดย่อมเกิดติดตามเพราะความยื้อใหญ่นั้นแปลว่าไอความรักอันนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งชาตินี้และ ชาติต่อๆไปก็คือถามว่าเมื่อมีความรักมีความผูกพันแล้วถามว่าจะทํากุศลหรืออกุศลโดยมากนะจะทํากุศลหรืออกุศลถ้าทําอกุศลนชาตินี้ก็เป็นทุกชาติต่อไปก็เป็นทุกขวังงนพระประเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะแต่เป็นพระประเจกหนุ่มมากเลยใช่ไหมอายุ16ปีบรรลุแล้วตัดคาถาปีประเภทอย่างนี้แล้วก็ตัดว่าทุกขมีความโศกเป็นต้นเนี่ยนะ เกิดจากความเยื่อใหญ่เรานั้นได้ขุดรากของความทุกขนั้นแล้วจึงบรรลุปัจเจกโพธิญาณขั้นตรัสอย่างนี้แล้วอมากก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระองค์พึงทำอย่างไรในจุลนิเทศอธิบายเนื้อความไว้ไวดีมากเลยนะแต่ว่าเป็นพักก่อนนี่ก่อน